ไปก็เป็นอุบายธรรมะเกี่ยวกันกับการอบรมจิตใจโดยตรงธรรมะอันนี้ย่อมเหมาะสมกับบุคคลทั่วๆไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ทั้งผู้ครองเรือนและไม่ครองเรือนเพราะว่า พระธรรมนี่เป็นของกลางอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้ำสาธารณะคนประเภทใดก็มีสิทธิ์ที่จะไปตักมาดื่มมาอาบได้ตามความต้องการดังคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนสาม้าน ดื่มน้ำบ่เดียวเที่ยวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอันนี้เป็นปิดสนาที่ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านผูกไว้เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเอามาคิดมากลองออการคิดปิดสนาเหล่านี้ มันก็ไม่นอกเหนือไปจากตัวบุคคลแต่ละคนคนสามบ้านนั้นได้แก่บุคคลที่ท่องเที่ยเกิดแก่จิบตายอยู่ในภพทั้งสามนี้การมาภพหนึ่งรูปภพหนึ่งอรูปภพหนึ่งนี่ในปิิสนานั้นท่านถือว่าเป็นบ้าน คือเป็นที่อยู่เป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลายพบทั้งสามเนี่ยบัด น, นี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั่นก็ได้พากันเห็นแจ้งในคุณพระรัตนาก r a แก้วสามประการว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนของตนใครจะอยู่ในโลกไหนก็กราบก็ไหว้ ก็นอบน้อมต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณพระัตนไกลนี้จึงอุปมาเหมือนอย่างบ่อน้าสาธารณะแม่บ่อเดียวคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไปตักเอามาดื่มมาอาบได้อันนี้เหมือนกันคุณพระัตนไกลนี้แหะไม่ว่าแต่มนุษ แม่เทวดาอินพร้อมก็นิยมนับถือใครอยู่ที่ไหนนับถือกราบไหวบูชาย่อมพระคุณนี่ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของคุณนั้นในที่นั้ น, น, นไม่ใช่ว่าคุณพระรัตนไกรัยนั้นจะมีอยู่แต่ในวัดหรืออยู่แต่ในพระประธานเท่านั้นไม่ใช่ มันอยู่ที่ใจของคนเราต่างหากเมื่อใจเราเชื่อเราเลื่อมใสแล้วอย่างนี้นะน้อมะระลึกนึกถึงพระคุณความดีของพระองค์มาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาในใจนั่นแหละพระคุณของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดขึ้นเช่อนอย่านึกว่าอันพระพุทธเจ้านี้มีจริงได้แก่บุคคลผู้ ภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีมาในสงสารจนว่าทำความดีนั้นเต็มบริบูรณนะ์จนวันละความชั่วนั้นได้หมดท่านก็ได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลวะ่าท่านผู้ตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งนี้ก็เพราะว่า พระองค์สร้างบุญบา ร, รมีมามากกว่ามนุษย์อเทวดาทั้งหลายดังนั้นใครจะเป็นอาจารย์สอนพระองค์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบุญเท่าเทีเทยมกับพระองค์มันถ้าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านผู้ที่จะเป็นพระศาสดาเอกในโลกก็ต้องสร้างบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญ ดังนั้นแหละจึงไม่มีใครที่จะไปแนะนาสั่งสอนพระองค์ในทางทางพระนิพพานได้เลยพระองค์ต้องอาศัยกำลังสติปัญญาความภาคเพียรของพระองค์เองค้นหาทางพระนิพพานในที่สุดก็พบเข้าให้ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้ว่ามีจริงอย่างนี้นะใครจะไม่เลื่อมใสไม่มีแล้วนี่ ก็ต้องเลื่อมใสแล้วเพราะว่าท่านผู้วิเศษผู้ตัดกิเลสขาดจากสันดานอย่างนี้นะไม่ค่อยมีแหละเรียกว่าตัดกิเลสขาดจากสันดานก่อนพอื่นทั้งหมดนี่นะนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราไม่มีเลยคนไม่มีบุญมากนะเรียกว่าไม่ได้เป็นโจกของมนุษย์ะเทวดาทั้งหลายพูดง่ายอ คนมีบุญน้อยก็ต้องคอยตามหลังท่านผู้มีบุญมากเมื่อพระองค์เจ้าตัดสรูแล้วอย่างนั้นสเสด็จไปที่ไหนคนมีศรัทธาเลื่อมใสเข้าไปเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังผู้มีบุญวัสนาได้สั่งสมอรมรถมัตยก่อนเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็รู้แจ้งว่าบุญคุณโทษได้เลย รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่แหละก่อนอื่นน่ะไม่ใช่รู้อย่างอื่นนะเมื่อมันรู้แจ้งว่าเออบาปนี่มีจริงและบาปนี่อำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงอย่นีนน้มันก็กำหนดใจละเดี๋ยวนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยว่าเวลาวันต่อไปถึงจะละไม่ใช่ธรรมราผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจละ่ะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาป มันก็กำหนดละในเดียวนั้นเลยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญมันก็กำหนดรู้ทำความพอใจในบุญนั้นทันทีนี่เมื่อเมื่อทำความพอใจในบุญนั้นจิตใจก็สงบเยือกเย็นเบิกบานก็รู้แจ้งว่ารสชาติของบุญนี่เป็นอย่างนี้หนอผู้ใดเห็นรสชาติของบุญอย่างนั้นแล้วก็ไม่เบื่อบุญเลยแบบนี้ ทำความพอใจในบุญตลอดเวลาไปนี่จึงเรียกว่าผู้รู้แจ้งในบุญน ะ, ะเพราะว่าบุญนี่ไม่ใช่มีรูปร่างอะไรอ่ะไม่ได้มีสีสันวันละอะไรเลยนะนี่มันเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงจิตของบุคคลพูดน้อมเอาความดีเข้ามาสั่งสมไว้นะอืมนี่แหละ แล้วธรรมารมอันเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มาชโลมจิตของผู้นั้นให้เย็นสบายสงบอืมอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมจะไม่รู้แจ้งในบุญละ่ะบุญนั่นแหละบอกอ่ะชี้บอกเลยว่าบุญเป็นอย่างนี้แหละอืไม่ใช่ว่าใครมาชี้บอกบุญเองบุญเกิดขึ้นแล้วบุญชี้บอกเองคุณก็เหมือนกันนะ พระผู้ธเจ้าทรงตรัสได้ว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างอย่างนี้นะหนึ่งบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนสองกตัญญูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและตอบแทนนี่บุคคลสองจำพวกเนี่ยหาได้ยากในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้ ใครละบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็ามารดาบิดาเลยก็ามารดาบิดาก็ามีคู่เรียวเท่านั้นแล้ว ท่านเราทั้งสองนั่นน่ะท่านก็เพียบพร้อมไปด้วยพรมวิหารสี่มี พ, มพรมวิหารธรรมนั่นเป็นกำลังใจให้เลี้ยงลูกที่คลอดออกมาจากอกของตัวเองให้เจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาได้ถ้ามารดาหรือบิดานั้นไม่มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจเราเลี้ยงลูกไม่เจริญไม่เติบโตได้เลย ถ้าว่าผู้เป็นโลกทั้งหลายนะ่ะมาคิดเห็นคุณูุปการรัของมารดาบิดาอย่างนี้ก็ย่อมรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อคุณไี่มีจริงหนอถ้าหาว่ามารดาบิดาไม่มีเมตตาอินดูสงสารเรานะั่นเราตายแล้วแต่น้อยนูยนย้นนี่ผู้นั้นก็จะเห็นคุณของมารดาบิดาเหลือล้นพ้นประมาณเลยทีเดียวเมื่อเห็นคุณอย่างนั้นแจ่มแจ้งก็ มันก็ต้องคิดตอบแทนนี่นี่แต่แล้วคนที่จะมองเห็นคุณของผู้มีอุปการะเกตตนนี่นะมันยากแสนยากจึงพระ อ, องค์เจ้าจึงจัดว่าบุกเป็นบุคคลที่หาได้ยากนั่นแหละ ย, ยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตนี่เอา้าชวนกันออกบวชไปขอบวชกับพระศ า, ษ า, ษาสดานี่พระ อ, องค์บวชให้แล้ว พอมาทำความดีภาวนาเข้าไปได้บรรลุโลกิยาลิทธ์เท่านั้นแหละคิดแข่งอนุภาพกับภาษาสดาเลยคิดจะล้มล้างภาษาสดาลงและยกตัวเองเป็นภาษาสดาแทนนั่นน่ะคนอากตันยูไม่รู้จักคุณของภาษาสดาเลยในที่สุดแผ่นดินก็สูบเอาไปไหมในอเวจีไม่ไม่ถึงขนาดนั้น เช่นอย่างว่าพ่อแม่ได้ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูจนเจริญวัยใหญ่โตมาแล้วไปเที่ยวหาเงินหาทองร่ํารวยขึ้นมาแล้วลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้ก็มีไม่เหลียวแลวไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะมันมันเห่อไปในราบในยศ มันเพลินไปในสังคมต่างๆจนเป็นเหตุให้ลืมผู้มีอุปการะคุนแก่ตนนะอย่างไม่มีอยู่ทั้ไปในโลกนี้นะไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> ไอพ่อแม่ น, นสำหรับชาวพุทธนะเมื่อลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายนั้นดีอกดีใจมากเออ มันจ ะ, จะเจริญไว้ใหญ่โตมาจะได้บวชได้เรียนในพระศาสนาจะได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่จะได้ช่วยแนะนำนาเอาคำสอนของพระเจ้ามานแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาบอกทางสวรรค์ทางพระนิพพานให้นี่บรรดาผู้ชาวพุทธนะย่อมมีความคิดนึกกันอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงชอบใจอยากจะได้ลูกผู้ชายเป็นคนหัวปีเลยอ่ะบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกจเจริญวัยใหญ่โตมาพอบวชเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องพยายามพูดชักจูงใจให้ลูกนั่นมีศรัทธาบวชในพุทธศาสนาลงคิดดูมารดาบิ ด, ดาหวังดีต่อลูกแต่ว่าฝ่ายลูกแล้ว เมื่ออด้นทนไม่ไหวมันดาบิดารบเล่าหลายก็เอามาบวชใครถามว่าไปบวชไปทำไมอ่ะอบวชให้พ่อให้แม่หรอกอไม่ใช่ว่าบวชให้ตัวเองเนะอะเป็นอย่างนั้นผู้ดใดคิดว่าบวชให้พ่อให้แม่เท่านั้นแล้วบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ทำความดีอะไรอ่ ะ, อะไม่ได้ฝึกตนแล้ววันี่ มีแต่หาทางเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับหมู่กับเพื่อนไปขอให้แล้ววันแล้วคืนไปพอถึงเวลาสึกก็สึกออกไปอย่างนี้นะนี่แต่วบวชเพียงแค่ให้พ่อให้แม่ไม่ได้บวชให้ตนเลยไม่ได้คิดว่าบวชมาเพื่อฝึกตนให้เป็นคนดีว่าว่าอย่างว่าละอาศวะกิเลสไม่หมดไม่สิ้นก็ช่ า, ชาง ก็จะฝึกตัวให้เป็นคนดีอย่าให้หันเหไปทําความชั่วอย่างนี้แล้วก็ยังนับว่าพอใช้ได้เพราะว่าคนเราเนะี่ะเราจะไปเกณฑ์กันให้บวชเข้ามาแล้วให้เป็นอรหันต์กันทั้งหมดนะี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ได้แต่ว่าข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องยึดธรรมยึดวินัยเนี่ยเป็น เครื่องประดับกายวาจาจิตของตนไปไม่ยอมล่วงทำรรล่วงวินัยแม้ว่าผู้เป็นเครือขัดคลองเรือนก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าตนมีบุญบา ร, รมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะเอา้าทําอย่างไรล่ะบุญบา ร, รมีอินทรีย์มันถึงจะแก่กล้าได้มันก็ต้องดําริอันบุญบา ร, รมีมันจะแก่กล้าได้ ก็เพราะเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนําสั่งสอนไว้ไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยจิตใจที่มันไม่อยากจะสํารวมในสินอย่างนี้นะก็พยายามสํารวมในสินให้ได้อย่างนี้แหละก็สอนจิตใจตัวเองให้มีความละอายต่อบาปต่อโทษที่พระศาสดาทรงบัญญัติห้ามไว้ว่า ทำอย่างนั้นผิดเป็นโทษเนี่ยต้องเป็นแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราต้องสอนใจตัวเองให้เชื่อแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะเชื่อนะอเพาะองค์ทรงวัน ญ, ญาติถ้ำยกตัวอย่างเช่นคารึงหัดบางพวกบางคนนะ่ะดื่มเหล้าเมาสุราเนี่เป็นโทษเป็นบาปอย่างนี้นะไม่แล้วไม่เชื่อเลยเดิมกันหัวราน้ําไปเลยอย่างนี้นะ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นบาปอย่างเนี้ไม่ไม่ใส่ใจหรอกฆ่ามันจะบันไปเลยแล้วอย่างนี้นะมันจะไม่ให้มันไปเสวยผลของบาปกรรมทนทุกทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิมันจะไหวหรือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วนี่ตนไม่ทําตามเลยไม่เชื่อพระปัญญาจัสรูกของพระองค์เลยอย่างนี้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เป็นนักบวช ก, ก็เหมือนกันเนี่ย มันต้องสำรวมในสินให้บริสุทธิ์เป็นคารือหัสก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเชื่อมั่นว่านรกมีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะเกลียดต่อความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงๆแล้วมันก็มั่นในสินแนะ่ารักษาสินให้มั่นสมบัติภายนอกนั่นหามันไปโดยทางสุจริต ได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอไปเท่านั้นแต่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ร่ำรวยด้วยทุจริตด้วยการทําบาปหมูนั้นเขาก็ตายเหมือนกันสมบัติทั้งหลายที่เขากอบโกยมาด้วยการทุจริตนั้นเขาก็เอาไปติดตัวไปไม่ได้เลยก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วตนเองก็ทําบาปกรรมแล้วก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น นี่ถ้าหาว่าใครคิดได้อย่างนี้มันมันก็เว้นเลยเว้นจากบาปกรรมนั้นแหละแต่นี่ส่วนว่ามันมันไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกคนนะถ้าหาว่าคิดอย่างนี้ผู้ใดคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็เว้นบาปได้จะอยู่คลองเรือนก็าตามจะเป็นนักบวชกว็ช่างออมันก็ต้องเว้นบาปได้เลยเพราะว่า มันก็มามองเห็นบาปในปัจจุบันนี้ก่อนนะไอสาเหตุที่คนเรามันจะกลัวบาปในอนาคตได้นะยกตัวอย่างเช่นบาปในปัจจุบันนะคนใดยึดมั่นถือมาในความโกรธไว้ในใจอย่างนี้นะเน่อ้าวถ้าใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยหนึ่งก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับะทะเละวิวาดกันถ้าดีไม่ดีก็เกิดประหัดประหารกันเข้า อาผิดกฎหมายไปเจ้าหน้าที่เขาจับไปฟ้องร้องก็ติดคุกติดตารางไปอย่างนี้นรกในเมืองมนุษย์เห็นได้ชั ด, ชดเลยอย่างนี้ถ้านารกในมนุษย์มีอย่างนี้นรกในโลกหน้าจะไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไปไม่ได้นี่มันต้องมีถ้าโลกนี้มีทุกโลกหน้าก็ต้องมีทุกโลกนี้มีความสุขโลกหน้าน่นความสุขก็มี ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ยอมเป็นผู้สำรวมในสินในวินัยด้วยดีนี่มันต้องคิดอย่างนี้มันต้องมีต้องปรับปรุงความคิดความเห็นนี้นะให้มันถูกล่องถูกรอยซะก่อนมันก็ยิง่งมันจึงได้ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระเถรเจ้าได้ถ้าใครปรับปรุงความคิดเห็นอย่างว่าเนี่ยให้เข้าสู่ร่อง้อยแห่งคำสอนของพระเจ้าไม่ได้แล้ว ย่อมปฏิบัติตามไม่ได้เลยละบาปก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้<ะ>เพราะฉะนั้นศินเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเป็นรากแก้วของพระศาสนานี่ศาสนาของพระองค์จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ไปถึงไหนเนี่ก็มันอยู่ที่ศินถ้าคนรักษาสิลคนมีศินอยู่ตราบใดแล้วศาสนาของพระองค์ ก็ตั้งอยู่ตราบนั้นเลยเป็นอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัททั้งหลายนะ่ะควรพากันพิจารณาดูตามธรรมที่แนะนำมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองมันก็ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามหรอกเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ใครละบาปบาเพ็ญบุญได้ ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะละทั่วทำดีได้ด้วยตนเองเนี่ยสำหรับคนมีปัญญาแล้วไม่มีปัญหาคนมีปัญญาแล้วมันมองเห็นได้เลยมันก็มายากกับคนที่ปัญญายังอ่อนอยู่นี่แหละเราจึงต้องได้พูดกันหลายเรื่องหลายรถจึงได้หาอุบายชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้เกิดความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า คือให้นิยมรักษาศีลเป็นพื้นฐานแห่งบุญกุศลทั้งหลายผู้ดใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มันก็เหมือนอย่างอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่จะปลูกพืชพันธัญญาหารต่างๆลงในพื้นดินแล้วก็ต้องไปปรับดินตแปลงนั้นนะให้มันสะอาดซะก่อนขุดถัวหลักหัวตอออกไปดายหญ้าออกไปพลวนดิน ให้เรียบราบแล้วอย่างนี้มันก็จึงปลูกพืชต่างๆลงไปได้ถ้าว่ามันมีป่าหญ้ารกลุงลางนะใครอยาจะไปปลูกพืชพันธุ์ลงได้ใครเขาไม่ทำกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันเหลยบุคคลที่จะสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนได้นั้นก็ต้องเป็นพูละความชั่วทางกายวาจานี่เสียก่อนแต่ว่าละความชั่วทางกายวาจาก็หมายความว่าละความชั่วทางใจด้วยนั่นแหละ เพราะว่าใจนั้นเป็นต้นเขาเหี่งความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วมันระ ง, งับไปจากกิจใจใจก็เบิกบานผ่องใสเหมือนอย่างบุคคลปรับดินให้มันสะอาดนั่นเองแหละวันนี้เมื่อบุคคลให้ทานอะไรลงไปก็มีผลมากเหมือนอย่างดินที่ปรับดีแล้วปลูกพืชอะไรลงไปก็งามขึ้นมาอย่างนั้นเรื่อมันน่ะลองคิดดูให้ดี เป็นอย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ใดไม่สนใจเรื่องศีลไม่ทำศีลให้บริสุทธิ์มีศรัทธาให้ทานไปมันก็ได้อยู่หรออันได้บุญนะแต่ว่าบุญของผู้นั้นเป็นบุญเศร้าหมองอุปมาเหมือนอย่างเพชนินจินดาของมีค่าตามธรรมดาแล้วมันมีมีรัศ ม, มีลังสีใสสะอาด ดีอยู่แล้วที่นี้ภาชนะนั่นสุ ก, กปกเอาของมีค่านั่นไปไว้ในภาชนะเช่นนั้นก็เลยพลอยให้ของมีค่านั้นมัวหมองไปตามกัน อ, อันนี้อุมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลมูวทำบุญให้ทานได้บุญจริงแต่บาปก็ทำอย่างนี้นะบุญกับบาปปนกันเข้าไปอ่ะ อมันก็เลยเศร้าหมองไปฮันนีิบุญนั่นนะเมื่อบุญเศร้าหมองก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวไปจิตใจก็ไม่ผ่องใสวันนี้เมื่อเวลาจะสิ้นชีพทําลายขันนี่เป็นของไม่แน่นอนเลยไม่ทราบจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์มันก็แล้วแต่กําลังของบาปและบุญนะเมื่อบุญมีกําลังมากเอาก็ขึ้นสวรรค์ไปก่อนหมดอายุ อยู่ในสวรรค์แล้วกลับมานรกอีกไปเสวยผลแห่งบาปนั้นต่อไปเพราะในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเทวดาบางตนหมดอายุสังขารในสวรรค์แล้วจุดติเพราะจุติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยทีเดียวไม่ได้ไปเกิดในที่อื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันคอยให้ผลอยู่ พอหมดบุญเท่านั้นบาปก็มีอำนาจฉุดคล้าลงนรกเลย อ, อย่างนี้นะทีนี้ถ้าบางคนนะ่ะก็ไม่มีบาปเท่นนั้นติดตามตัวเมื่อหมดอายุสังขารในสวรรค์อย่างนั้นแล้วก็ยอมกลับลงมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วก็เกิดดีเกิดมาดีเพราะว่ามันมีความดีเป็นเป็นพืชมาแล้ว เป็นพื้นของจิตใจมาก็มาสร้างบุญกุศล ส, สืบต่อเ อ, อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหละศีลเนี่ยจึงถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งสมาธิทําใจให้สงบระงับลงได้เพราะว่าเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อเราน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านนั่นคิดดูให้ดี บางคราวนะ่ะภาวนาไงก็มันสงบลงไม่ได้นะอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยมันมีบาปมารุ ก, กวนอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องสกดจิตลงไว้อย่าไปโทอถอยอการที่เราสะกดจิตไว้ไม่ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปตามบาปประธรรมเหล่านั้นแสดงว่าเรากําหนดละมันเราไม่ไปตามมัน เมื่อเราสะกดจิตห้ามจิตได้บ่อยๆเข้าไปจิตมีกำลังกล้าขึ้นไปบาปก็ระงับไปเนี่ยวิธีละบาปแต่บุคคลส่วนมากพอจิตฟุ้งซ่านมาแล้วก็อ่อนใจเลยโอ้ยเรานี่ภาวนาไม่เป็นหรอกบุญไม่มีแล้วก็หยุดเสียไม่ไม่ทำความเพียรไม่อดทนไม่สะกดจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นลงไปได้ นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าขอเตือนไว้ในที่นี้เลยอย่าไปท้อถอยถ้าเราท้อถอยแล้วบาปมันก็จะไม่หนีจากกิจใจมันจะต้องตามให้ผลเป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วอันบาปนั้นมันก็ไม่ขาดหรอกมันแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไปสงบตัวอยู่เพราะอนุภาพแห่งสมาธิมันมีกำลังเหนือกลัว มันก็ไปสงบตัวอยู่อย่างนี้แหละทีนี้พอว่าสมาธินั้นถอนอา้าบาปมันก็โผล่ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละวันนี้เจริญปัญญาต่อวันนี้นะนั่นเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นบางคนว่าเมื่อสมาธิถอนออกมาแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะพินาไงาจิตก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเอาเอา้าว ก็ของกิเลสมันยังมีอยู่นะมันเพียงจะไปสงบตัวอยู่ชั่วคราวชั่วที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเองนี่เราต้องรู้่าเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิมันถอนออกออกมาเนี่ยกิเลสมันโผล่มาอยางไรเราก็กําหนดพิจารณาอะละมันไปเรื่อยๆกําหนดพิจารณาว่ากิเลสมันก็เกิดจากความที่จิตหลงนี่เองนะ หลงสังขานหลงนามหลงรูปอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อหลงนามหลงรูปอันนี้แนละ้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นถ้ารู้แจ้งในนามในรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของศูนย์เปล่าจากสัตว์จากบุคคลจากดีจากชั่วดีก็ศูนย์ชั่วก็ศูนย์ถ้าว่าตรงๆแล้วนะศูนย์อย่างไรสูงศูนย์จากสัตว์จากบุคคล ในขั้นนี้เราต้องลบทั้งดีทั้งชั่วทิ้งหมดเลยวันนี้เมื่อลบดีกับชั่วทิ้งหมดจิตรวมลงวันนี้มันก็ถึงของจริงทำของจริงถึงความจริงแบบ น, นี้นะนั่นแหละการที่จิตบุคคลจะถึงทึงความจริงได้มันต้องละทั้งบาปทั้งบุญลงไปก่อนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้